ธรมบทแปลเรื่องที่หกสเรื่องพระละกุลตะกะพัทธิยเถระภาคที่สเรื่องที่หของวรที่หปันดิตตวรตกวรนน า, นาพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรพระละกุลตกะพัทธิยเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าเซโลยทธาเป็นต้นได้ยินว่า สหธรรมิกมีสามเณรเป็นต้นซึ่งเป็นปุตุชนเห็นพระเถระแล้วจับที่ศรีรษะบ้างที่หูบ้างที่จมูกบ้างพลางกล่าวว่าอาจะอาจ๋อ า, จาอาไม่กระสัร ย, ยังยินดีแน่นแฟ้นในพระศาสนาหรือพระเถระไม่โกรธไม่ประทุษร้ายในสหธรรมิกเหล่านั้นเลยพิกษุท์ทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่า มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงดูเถิดสาหธรรมิกมีสามเณรเป็นต้นเห็นพระลักกุลตะกะพัทยะเทีราแล้วย่อมรังแกอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่โกรธไม่ประทุษร้ายในสาหธรรมิกเหล่านั้นเลยพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัส ถ, ถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า เรื่องชื่อนี้พระเจ้าค่าจึงตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระขีนาศบย่อมไม่โกรธไม่ประทุษร้ายเลยเพราะท่านเหล่านั้นไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนเช่นกับศิลาแท่งทึบดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนรทิแสดงธรรมตรัสพระคาถานี้ว่าเซโลยธาเอกคโน วาเตนะนะสมีรติเอวังนินดาประสั่งซาสุนะสมินจันติปันฑิตาติภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งเดียวย่อมไม่สะเทือนด้วยลมฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เอ็เอียงในพระนินทาและสรรเสริญฉะนั้นแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นในบทว่านินดาประสั่งซาสุ นี้พระผู้มีพระภาคตรัสโลกธรรมไว้สองก็จริงถึงอย่างนั้นพึงทราบเนื้อความด้วยสามารถแห่งโลกธรรมแม้ทั้ง8อธิบายว่าเหมือนอย่างว่าภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งเดียวคือไม่มีโปรง่งย่อมไม่สะเทือนคือไม่เอ็นเอียงไม่หวั่นไหวด้วยลมต่างด้วยลมพัดมาแต่ทิศตะวันออกเป็นต้นฉันใด เมื่อโลกธทำแม้ทั้งแปดครอบงำอยู่บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เอ็นเอียงคือไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนด้วยอำนาจความยินร้ายหรือยินดีฉชนนั้นในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุพระอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระละกุณตกะพะัทยเถระ